สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษบทที่ย์บทที่21พระธรรมหนึ่งพงกษบทที่ย์บทที่21ข้อ15เราจะจนถึงข้อที่29นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าทันทีที่เยเซเบลทราบว่านาโบทถูกหินขว้างตายแล้วก็ทูลอาหับว่าขอทรงลุกขึ้นไปยึดครองสวนอุ่นของนาโบด ชาวอิสราเอลที่เขาไม่ยอมขายให้ฝ่าพระบาทเขาสิ้นชีวิตแล้วเมื่ออาหับทรงได้ยินว่านาโบอดตายแล้วก็ส่งลุกขึ้นและเสด็จไปยึดครองสวนองุ่นของนาโบอดแล้วพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเอลียาชาวทิชบีว่าจงไปพบกษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลผู้ปกครองในสมาเรียขณะนี้ เขาอยู่ที่สวนองุ่นของนาโบทซึ่งเขายึดมาจงบอกเขาว่าองค์พระวิญญาตรัสว่าเจ้าฆ่าคนชิงเอาทรัพย์สินของเขามาหรือแล้วบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส ด, ดังนี้ว่าสุนัขจะเลียเลือดของเจ้าเองในที่ซึ่งสุนัขได้เลียเลือดของนาโบทอาหับตัดกับเอเลียว่า โอ้ศัตรูของเราเจ้าพบเราเข้าอีกแล้วสิเอลยาทูลตอบว่าข้าพเจ้ามาพบท่านเพราะท่านได้ขายตัวเองให้กับการทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าเราเองจะนำภัยพิบัติมาถึงเจ้าจะไม่ให้มีผู้ชายในวงวานของเจ้าทั้งที่เป็นทาสและเป็นไทยในอิสราเอลเหลือชีวิตรอดแม้แต่คนเดียว เราจะทำแก่วงวานของเจ้าเหมือนที่ทำแก่วงวานของเยโรโบอัมบุตรเนบัตและวงวานของบาอาชาบุตรอาหิยาเพราะเจ้ายั่วยุให้เราโกรธและชักนำให้อิสราเอลทำบาปและองค์ผู้เห็นเจ้ายังตรัสเกี่ยวกับพระนางเยเซเบลว่าสุนัขจะกัดกินเยเซเบลข้างกำแพงของอิสราเอล คนในตระกูลของอาหับที่ตายในเมืองจะถูกสุนัข ก, กัดกินส่วนผู้ที่ตายในท้องทุ่งจะถูกนก ก, กินไม่มีไม่เคยมีใครเหมือนอาหับผู้ขายตัวเองให้กับการทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามการชักนาของมเมสสีเยเซเบลอาหับทําบาปที่ร้ายแรงที่สุดโดยหันไปติดตามรูปเคารพต่างๆ ต, ตามอย่างชาวอารโมไร์ ซึ่งองค์พระบุญเจ้าทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าอิสราเอลเมื่ออาหับได้สำับฟังถ้อยคําเหล่านี้ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์สวมผ้ากระสอบอดพระกรยาหารบันทมในชุดนั้นและทรงสำรวมพระองค์จึงมีพระดารัดจากองค์พระบูญเจ้ามาถึงเอลียาชาวทิชบีว่าเจ้าเห็นหรือไม่ว่าอาหับได้ถ่อมใจลงต่อหน้าเราเพราะเขาถ่อมใจลงเรา จะไม่ให้เกิดภัยพิบัตินี้ในชั่วชีวิตของเขาแต่จะให้เกิดแก่วงวานของเขาในสมัยลูกของเขาพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้คือคาว่าขายตัวในข้อที่20ครับอาหับตัดกับเอลียาว่าโอศัตรูของเราเจ้าพบเราเข้าอีกแล้วสิเอลียาทูลตอบว่าข้าพเจ้ามาพบท่านเพราะท่านได้ขายตัวเอง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 ซึ่งองค์พู้ื่นเจ้าทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าชนอิสราเอลพี่น้องครับหลายคนพออ่านพบข้อความภีข้อนี้ก็งงว่าคำว่าขายตัวนั้นคืออะไรจะเหมือนกับผู้ชายขายตัวหรือผู้นาขายตัวหรือยังไงพี่น้องครับคำว่าขายนั้นก็คือแปลว่าการแลกเปลี่ยนครับการแลกเปลี่ยนตัวเองการแลกเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง การกราบไหว้ลูกขับรบหรือทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการในกรณีนี้ก็คือทั้งสองอย่างครับก็คือพยายามที่จะได้มาซึ่งที่ดินของนาโบทซึ่งเป็นไ ป, นปนไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ตามบทบัญญัติกฎเกณฑ์ของโมเสสแน่นอนครับที่ดินของนาโบทย่อมเป็นของนาโบทนาโบทไม่ขายเขามีสิทธิและเขามีสัญญาของพระเจ้ารองรับอยู่ในขณะที่ อาหับนั้นต้องการและเยเซเบลนั้นก็ใช้แผนชั่วนั่นแหละครับคือประเด็นที่มาของคำว่าขายตัวอาหับนั้นทั้งทั้งที่รู้ครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่อาหับก็ยังปล่อยให้เยเซเบลซึ่งเป็นมาเฮสีจอมชั่วทำงานนางทำงานของเธอก็คือใช้วิธีที่ชั่วร้ายโดยการลอบปลูกพยานเท็จสองคน และกล่าวหานาโบดและในที่สุดนาโบดได้ตกอยู่ภายใต้ข้อหาคือการลบหลู่เกียรติของพระเจ้าและนาโบดต้องถูกหินขว้างตายในที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ชั่วร้ายจริงๆครับเพราะว่าอาศัยกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นเครื่องมือในการทําชั่วออกกฎหมายออกกฎระเบียบที่ไม่ชอบทำสร้างสถานการณ์เพื่อเอื้อต่อการทําชั่ว ประกาศวันถืออดอาหารแล้วให้นาโบดนั่งที่สูงหาอเนาพานสองคนมานั่งตรงข้ามปรักปำนาโบดว่าแช่งด่าพระเจ้าแล้วก็เอาตัวนาโบดไปฆ่าก็คือเอาหินคว่างให้ตายนี่คือความชั่วร้ายของเยเซเบลนี่นครับคือพฤติกรรมพฤติการการขายตัวของกษัตริย์อาหับพี่น้องครับเอลียาคนงานหรือผู้รับใช้พระเจ้านั้น ก็จัดเต็มครับก็คือบอกเขาตามตรงว่าบอกกับอาหับว่าเจ้าฆ่าคนชิงเอาทรัพย์สินของเขามาและชุนักจะเลียเลือดของเจ้าเองในที่ซึ่งชุนักได้เลียเลือดของนาโบดพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ต่ำต้อยผู้ที่มีความอ่อนแอผู้ที่มีความล้มเหลวมาแต่เมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้า เขาเป็นกระบอกเสียงเป็นประกาศศกของพระเจ้าเขานำข่าวร้ายมาแท้จริงแล้วเอลียาก็น่าจะกลัวใช่ไหมครับแต่ว่าเอลียานั้นเข้าไปหาอาหับที่สวนองุ่นของนาบทดซึ่งเขาพึ่งแย้งมาได้อาหับนั้พูดกับเอลียาว่าเมื่อปะหน้ากันครับอาหับตัดกับเอลียาว่าโอ้ศัตรูของเราเจ้าพบเราเข้าอีกแล้วสิ นั่นหมายความว่าอาหับทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ครับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันไม่ค่อยถูกจริงๆมันไม่ถูกเลยครับแต่ว่าเมื่อเขาเจอเอลียานั่นหมายความว่าศัตรูคือเอลียานําภัยพิบัติมาถึงเขาอีกแล้วพี่น้องครับในข้อที่ 20-21 ครับในภาษาฮีบรูนั้นมีการเล่นคําระหว่าง2คําครับคําแรกก็คือชั่วหรือสิ่งที่ชั่ว กับคำที่สองในข้อยีก็คือภัยพิบัติเนี่ยครับสองคนี้เป็น2คําที่ภาษาฮีบรูนั้นเขียนละไม้คล้ายคลยคึงกันเป็นอย่างยิ่งครับสอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดว่าขายนั่นคือต้องมีการจ่ายครับเมื่อมีคนขายต้องมีคนซื้อเมื่อมีคนขายต้องมีคนจ่ายถ้าเราจ่ายความชั่วไล่ออกไปราคาหรือสิ่งที่เราจะได้รับมาก็คือภัยพิบัติ ที่น้องครับนั่นคือความหมายของคาว่าขายตัวมันไม่คุ้มครับในการที่บางทีบางครั้งนั้นเราอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างมาและเราก็คิดแผนชั่วร้ายครับและเมื่อเราคิดแผนชั่วร้ายเราก็ต้องสร้างสถานการณ์ชั่วร้ายเกิดขึ้นแต่เมื่อสร้างสถานการณ์ชั่วร้ายเกิดขึ้นมันก็นำมาซึ่งในที่สุดแล้วภัยพิบัติจะตกลงมาตกแก่คนที่คิดแผนชั่วร้ายตกแก่คนที่ทำบาปนั่นเอง ที่นั่งครับเราจะสังเกตเห็นในครั้งทีแรกว่าอาหับนั้นไม่ยอมรับกับพระเจ้าว่าเขาทำบาปอาหับกับกล่าวหาเอลิยาว่าเป็นศัตรูของเขาเมื่อความอิจฉาและความเกลียดชังทำให้อาหับตาบอดเช่นเดียวกันครับความอิจฉาและอีโก้ความเกลียดชังทำให้บางคนตาบอดได้และแทบจะมองไม่เห็นบาปของตัวเอง เมื่ออาหับขายตัวมีความหมายว่าอาหับยอมสละหลักการที่ถูกต้องยอมสละหลักแห่งจริยธรรมศิลธรรมแลกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเองต้องการการได้มาซึ่งสวนอุ่นที่ไร้ค่าสามารถที่จะทาลายตัวอาหับเองและลูกหลานในวงวานของเขาพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าการขายตัวเองเช่นนั้น เป็นการขายตัวเองที่ไม่คุ้มค่าเลยครับเพราะว่าค่าเพย์แบ็กหรือว่าจ่ายราคากลับมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าจริงๆครับเป็นหายนะเป็นภัยพิบัติครับพี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้นําำขีตจักรผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อประชากรของพระเจ้าลูกแกะของพระเจ้านั้นในหลายหลาครั้งทีเดียวเมื่อพระเจ้าใช้ในการนำพระโอษะของพระเจ้าไปถึงประชากรของโปรง่งหรือผู้ที่ทําผิดบาป ไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามพี่น้องครับการยิงตรงหรือการจัดเต็มนั้นเป็นนามธรรมไทยของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีมาถึงผู้ที่ทำบาปนั้นเพราะฉะนั้นเอลิยาได้ได้เป็นตัวอย่างให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าในการที่จะกำจัดความบาปความชั่วความไม่ถูกต้องออกจากประชากรของพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวไม่ใช่เป็นการเปลืองตัวครับแต่เป็นสิ่งที่ ทำให้คนขายตัวได้กลับใจใหม่พี่น้องครับในพระคัมภีร์ช่วงหลังของบทที่21นี้ได้มีบันทึกครับว่าหลังจากที่อาหับได้สะดับฟังถ้อยคำเหล่านี้ก็ฉีกฉลองพระองค์สวมผ้ากระสอบอดอาหารบรรทมในชุดผ้ากระสอบสำรวมพระองค์กลับใจใหม่ครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าเมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้า ได้ยิงตรงครับได้จัดเต็มได้เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าเป็นประกาศกของพระเจ้าในการชี้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรสิ่งที่ผิดอะไรสิ่งที่ควรทํอะไรสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอะไรที่ต้องจ่ายราคาการขายตัวจะต้องได้รับหรือมีคนซื้อก็คือสิ่งชั่วร้ายจะถูกภัยพิบัติตามมาพี่น้องครับนั่น ทำให้คนกลับใจเมื่อเขากลับใจลงพระเจ้าให้อภัยครับพี่น้องครับนั่นคือพระคุณความรักของพระเจ้าแม้ว่าอาหับจะชั่วร้ายยิ่งกว่ากษัตริย์องค์ใดของอิสราเอลแต่เมื่อเขาท่อมตัวกลับใจอย่างแท้จริงพระเจ้าก็ทรงเห็นและลดโทษให้พระเจ้าผู้ทรงเมตตาอาหับทรงต้องการจะเมตตาพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะทํา หรือเคยทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากเพียงใดก็ยังไม่สายครับที่เราจะถ่อมตัวลงหันมาหาพระเจ้ากับใจใหม่เสียใจและอย่าทำบาปอีกและเราก็จะรับการอภัยโทษบาปได้อาเมน